เพราะฉะนั้นท่านอากิตติดาบทก็กลา่าพระพุทธเจ้ากล่าวว่านะกล่าวก็ความในจริยาปิดกที่ว่าคือข้อความในจริยาปิดกเนี่ยจะเป็นเฉพาะคาถานะจะเป็นเป็นฉันทลักษณ์ทั้งหมดมันอันนี้เป็นการเชื่อมเรื่องให้ดูว่าในครั้งนั้นด้วยเดชแห่งการประพฤติบาปของเราเท้าส ก, กะผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นดาวเดืองทรงร้อนพระทยัยแปลงเพศเป็นพรามณ์เข้ามาหาเราเพื่อภิกษา เราได้เห็นพราหมณ์มายืนอยู่ใกล้ประตูบรรณศาลาของเราก็เอาใบหมากเม่าที่เรานํามาแต่ป่าเป็นใบหมากเม่าที่ไม่ได้มาอะไรนะมาผัดผสมด้วยน้ํามันไม่ใช่ใบใบหมากเม่าผัดนะไม่มีน้ํามันเนี่ยก็คือไม่ได้ไม่ใช่ใบผัดขณะเดียวกันก็ไม่ได้ใส่ไข่เค็มไม่มีไข่เค็มไม่มีไม่ได้เจียวไม่ได้อะไรสักอย่างนะเะไม่ได้ผสมเกลือด้วยแต่แต่ก็ให้ให้แบบ สำนวนว่าให้พร้อมกับภาชนะคือให้แบบไม่เหลือเลยครั้นได้ให้ใบห ม, มักเมาแก่พพามนั้นเราก็คว่าภาชนะละการสแสวงหาใบห ม, มักเมาใหม่เข้าไปยังบนนาารรณศาลาวันที่สองวันที่สามพราหมณ์ก็เข้ามายัางสำนักของเราเราไม่หวั่นไหวขณะที่ให้ใจก็ไม่อะไรในชีวิตเลยไม่ได้คิดเลยว่าเราจะกินอะไรไม่ได้เคยคิดเลย ท่านสมาทานให้ทานจะไม่ไม่ได้สมาทานเพื่อรักษาชีวิตเคยได้ยินไหมสร้างบารมีเพื่อรักษาชีวิตไม่ใช่ท่านท่านเน้นว่าสิ่งที่ท่านต้องการจริงๆคือทานะเจตนาเพราะถ้าไม่มีทานะเจตนาเนี่ยนะถ้าไม่มีเจตนาที่จะให้มรรคผลจะเกิดได้ไหมบรรลุสัพพัญญุตญาณเนี่ยได้ไหมก็ไม่ได้อยู่แล้วอันท่านก็ไม่หวนไว้ไม่อะไรในชีวิตได้ให้หมดสิ้นเหมือนกับ วันแรกวันที่สองก็ให้ทั้งหมดวันที่สามก็ให้ทั้งหมดก็ถือว่าไม่ฉันใบห ม, มักเมาฉันแต่น้ำมะนะในสรีระของเราก็ไม่มีความหมนหมองเพราะการอดอาหารนั้นเป็นปัจจัยเรายังวันนั้ น, น, นวันที่หนึ่งสองสามเนี่ยให้เป็นไปด้วยความยินดีในปีติและความสุขะนะอยู่ด้วยใจที่เอิบอิ่มให้แล้วสบายใจให้แล้วมีความสุข พิว่าพว่าก็คือท่าว่านะพ่ว่ากับท่าว่าอันเดียวกันท้าว่าเราพึงได้ทักพินายะบุคคลผู้ประเสริฐแม้ได้นาบุญอย่างนี้นะแม้เดือนหนึ่งแม้สองเดือนเราก็ไม่หวั่นไหวไม่ท้อแท้พึงให้ทานอนุดมคือทานที่สูงสุดแก่พรามนั้นได้เราจะได้ปรารถนาะยศลาบกอบหาไม่ได้ที่เราให้นะ บุญที่เกิดจากการให้นั่นไม่ได้ปรารถนายศไม่ได้ปรารถนาลาบไม่ได้ปรารถนาสรรเสริญเราต้องการแต่สัพพัญญุตยานปรารถนาสัพพัญญุตยานเลื่อมใสในสัพพัญญุตยานจึงประได้ประพฤติกรรมเหล่านั้นจึงได้ให้ครั้งนี้ให้อย่างเนีนะ้เป็นการให้เพื่อสัพพัญญุตยานก็เรียกว่าชัดเจนเลยใช่ไหมเจตนาที่ชัดเจ น, เนบุญกุศลที่เกิดขึ้นก็เข้าใจบุญอย่างชัดเจนแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนคือสัพพัญญุตยาน ในอัตกถาอธิบายเพิ่มเติมนคําว่าตปะเตเชนะเนี่ยนะก็คือตบะหรือว่าตบะหมายถึงอะไรตบะนี่โดยศัพท์แเพ ว, ว่าเผาใช่ไหมเผาความเศร้ามองที่เกิดจากความชั่วตบะหมายถึงศีลเพราะว่าศีลเนี่ยเผาความเศร้ามองที่เกิดจากความชั่วทางกายวาจาและใจหรืออนุภาพแห่งเนกขมมะและวิริยะบารมีอั น, นะ คำว่าตะบะเนี่ยมีหลายในนะในแรกตะบะหมายถึงศีลเรียกว่าตบะเพราะเผาความชั่วทางกายวาจาและใจเผาความเศร้าหมองหรือตบะหมายถึงเนคขมมะหรือวิริยะเพราะอะไรเพราะตบะนี้เผาความเศร้าหมองคือตันหาเนคขมมะเป็นเครื่องปฏิปักษต่อตันหาวิริยะเป็นปฏิปัติต่อความเกียรคร้านนั้นท่านบอกว่าท่านมีตะบะ ตบะของท่านคือศีลตบะของท่านคือเนคขมมะตบะของท่านคือวิริยะทวนว่าตบะคือศีลเผาอะไรเผาความเศร้าหมองคือความทุศีลตบะคือเนคขมมะเผาความเศร้าหมองคือตันหาตบะคือความเพียรเผาความเกียจคร้านบารมีเหล่านั้นพระโ พ, พธิสัตว์บำเพ็ญอย่างยอดเยี่ยมยนะม ขันติปรมิตานุภาเวนะนะก็คือด้วยอนุภาพแห่งขันติบารมีก็หมายถึงขันติสังวรศีนนะศีนเนคขมวิริยะขันติเออเอาไปมาจะครบ10บแล้วนะเนี่ยใช่ไหมก็ทานบารมีใช่ไห ม, ม, มที่ท่านให้นี่เป็นการให้ทานแต่เด็กของท่านคืออาศัยศีนอาศัยเนคขมอาศัยวิริยะอาศัยขันติก็คือขันติสังวร น, นั่นแหนละ ก็อย่างที่พระ อ, องค์ตรัสว่าขันตีประมังตโปตีติขาเนี่ยคำว่าตะบะหมายถึงขันติก็ได้มันเรียกว่าด้วยเดชด้วยเออเรียกว่าด้วยเดชแห่งตะบะของพระโพธิสัตว์เดชแห่งตบะคือศีลเดชแห่งตะบะคือเนคข ม, มะเดชแห่งตะบะคือวิริยะเดชแห่งตบะคือขันติแสดงว่าตบะสี่ประการของท่านนะเนี่ ทวนอีกครั้งหนึ่งนะหนึ่งศีลสองเนคัมมะสามวิริยะสี่ขันติเท้าสากะเลยเดือดร้อนเลย น, นะข้างล่างบอกว่าบทว่าอเตลันจะอโลนิกังก็เรียกว่าใบหมากเมานะี่นะไม่ผสมด้วยน้ำมันคือไม่มีน้ำมันไม่มีรสเค็มเลยแต่ว่าเปรี้ยวๆนะเปรียปร้ยวๆนะ จริงๆเนี่ยเปรี้ยวถ้าเปรียปร้ยวๆมันต้องผสมเค็มสักนิดหนึ่งมันจึงกันน่าทานใช่ไหมถ้าเปรี้ยวเฉยๆเนี่ยไม่มีเกลือผสมเลยเนี่ยไม่ค่อยน่าทานเท่าไหร่ทั้นถ้าเวลาที่ไปเก็บใบใบใบไม้เปรียปร้ยวๆนิดๆเนี่ยโดยมากก็จะนึกถึงเกลือที่เค็มๆแต่นี้บอกว่าเป็นใบไม้ที่ไม่ผสมน้ำมันไม่มีรสเค็มเลยแต่ทําไมจึงยกย่องทานนี้เหลือเกินตั้งคำถามว่า เอาก็ให้ใบหมากเม่าไม่ผสมน้ํามันไม่มีรสเค็มไม่เหมือนกับผัดใบอะไรนะไม่เหมือนกับผัดไม่เหมือนกับแกงไม่เหมือนกับอะไรไม่เหมือนแกงเลียงเลยแม้แต่นิดเดียวอ่ะทําไมจึงชมเหลือเกินว่าการให้ครั้งนี้เลิศประเสริฐสีชมเหลือเกินเนี่ยทำไมจึงชมขนาดนั้นเพราะอะไรเพื่อจะแสดงความรุ่งเรืองอย่างใหญ่หลวงแห่งฐานบารมีไอ้ที่ชมชมเนี่ยเพราะท่านสมบูรณ์ด้วยอัธยาศัยในการให้ ไม่ได้เน้นชมที่ของให้แต่ชมจิตใจที่ให้อัธยาศัยที่น้อมไปเพื่อการให้ทั้งๆ ท, ที่ไทยธรรมก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรเพียงแต่ใบไม้นึงอ่ะก็ไม่ได้มีค่าอะไรสักสลึงไอ้สักบาทสองบาทก็ไม่ได้มีค่าอะไรมากมายแต่พูดถึงอัธยาศัยแห่งการให้ใจที่น้อมไปเพื่อจะให้นี่นะมันการให้ชนิดที่เรียกว่าตั้งความปรารถนาเพื่อการให้แล้วก็ให้แบบไม่เหลือเลย ให้แบบหม้คว่ำอ่ะเพราะนั้นอัธยาสัยแห่งการให้บุญที่เกิดสภาพของบุญเจตนาที่เป็นบุญที่เพื่อการให้เนี่ยมีกําลังมากๆเลยเพราะนั้นท่านบอกว่าหลังจากให้เสร็จเนี่ยนะท่านก็ไม่สแสวงหาอาหารเลยะนะท่านนี้อิ่มบุญมากเลยเนะก็เรียกว่าอิ่มอกอิ่มใจอิ่มด้วยการให้ทานจิตใจที่ท่านให้เนี่ยนะก็ไม่หวั่นไหวด้วยความตรนี เพราะว่าท่านนี้ข่มความตระนีได้นานนะไม่หวั่นไหวโดยอัธยาศัยแห่งการให้ขณะขนาะเดียวกันเนี่ยนะท่านให้ไปแล้วท่านก็ไม่อะไรในชีวิตไม่อะไรแม้แต่น้อยนะวันที่สองก็ให้จนหมดสิน้นวันที่สมก็ให้จนหมดสิน้นนะท่านอดอาหารอยู่กี่วันสมวันถึงการอดอาหารทั้งสวันเนี่ยนะสริระของท่านก็ ถึงจะหม่นมองบ้างะนะถ้าจริงๆคนขาดอาหารใจก็อ่สรีระดูภายนอกก็อาจจะมองบ้างเพราะว่าไม่ได้ทานมาสามวันเนี่ยแต่ขณะเดียวกันท่านก็ไม่มีความต้องการไม่มีอะไรเลยเพราะอะไรเพราะเจตนาที่ให้มีกําลังเพราะเรายัางการเวลาให้น้อมล่วงไปด้วยปีติสุขตลอดสามวันไม่ใช่เพียงสามวันเท่านั้นอันที่จริงแสดงว่าเราพอใจที่จะให้อย่างนั้นน่ะ ตลอดแม่หนึ่งเดือนแม้สองเดือนการให้ของท่านให้เพื่อยศใช่ไหมเพื่อเกียรติหรือเพื่อบริวารหรือเพื่อให้เกิดลาบบอกว่าเราไม่ได้ปรารถนาเกียรติไม่ได้ปรารถนาบริวารไม่ได้ปรารถนาลาบนะนะไม่ว่าจะเป็นจักรพรรดิเป็นต้นหรือว่าตําแหน่งใหญ่โตในเทวโลกที่แท้การให้ของเราเนี่ยวังอย่างเดียวคือสัพพัญญุตยาน ได้ประพฤติกระทําบุญกรรมสําเร็จด้วยการให้ทานแม้กระทั่งการให้ทานทั้งสาวันเหล่านั้นไม่ว่าเฉพาะบุญที่เกิดจากการให้ทานอย่างเดียวเท่านั้นแม้บุญที่เกิดจากทําความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจบุญที่เกิดจากเนคคัมมะปัญญาเป็นต้นที่เป็นบริวารของทานบุญเหล่านั้นทั้งหมดก็ตั้งไปเพื่อสัพพัญยุตยานของเราเนี่ยทุกครั้งเนี่ยโสดาปฏิมักตั้งแบบนี้บ่อยไหม การให้ทานครั้งนี้จงเป็นไปเพื่อโสดาปฏิมักนะก็ปรารถนาจะบรรลุเหลือเกินเนี่ยนะขอบรรลุขอบรร ล, ลุแต่ว่าไม่ชัดเจนสะทีมจะบรรลุได้ยังไงนั้นการทําบุญให้ทานรักษาศีลการฟังธรรมของเราทุกครั้งเนี่ยก็ต้องปั้งเป้าให้มันให้มันชัดเจนสิไม่ไม่ใช่ทําไรเลื่อนลอยทําบุญเลื่อนลอยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทําบุญเลื่อนลอยเนี่ยนะไอ้คาว่าลอยเลื่อนลอยแปลว่าไม่ใช่ต้องไม่ต้องการผลต้องการแต่ว่าไม่ได้ตั้งเพื่ออริยมรักเป็นต้น นนั้การให้ทานแต่ละครั้งของเราการรักษาศีลการฟังธรรมการเจริญภาวนาเนี่ยขอให้ข้าพเจ้าทําให้แจ้งโลกุตระทำก้าใน ท, ทันทีนี้ก็ถือว่าเป็นความชัดเจนนะไม่เลื่อนลอยแล้วนะขอให้มันให้เรียกว่าขอให้ตั้งใจอย่างปากว่าเธอเนี่ก็แจวแล้วนี่นะ <c oughs> พระผู้มีพระภาคเจ้าประกาศเพียงบุญญาจริยาที่ทําได้ยากของพระองค์ในอัตภาพนี้แก่พระสารีบุตรเทระด้วยประการชนี อันนี้เรียกว่ายกตัวอย่างให้ฟังว่าที่พระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นธทรำรขนาดนี้นะจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าพูดถึงในชาดกนะเทศนาท่าถ้าเอามาเรื่องราวมาให้เต็มชาดกแต่ว่าข้อความทั้งหมดเนี่ยเฉพาะในเทในเจริยาปิดกก็มีเท่านี้แต่อัตกถาคือพะระธรรมปาละท่านก็ยกข้อความในชาดกมาให้ฟังเพิ่มเติมว่าในวันที่สี่ วันที่สี่เนี่ยท้าวสักกะเขาเข้าไปหาอีกก็ทราบอัธยาศัยแห่งการให้ทานของพระโพธิสัตว์แล้วก็ประทานพรขณะเดียวกันเนี่ยการให้พรของท้าวสักกะเพื่อการแสดงธรรมของพระโพธิสัตว์นนะดูซิว่าถ้าเราให้พรและพระโพธิสัตว์จะเทศอะไรให้เราฟัง น, นะความหวังในทายธรรมและทักษินายะบุคคลและการไม่มาของท้าวสักกะ คือสรุปอันนี้ใจความโดยสรุปสมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าเท้าสักกะผู้เป็นภูตตบดีทอดพระเนตรเห็นท่านอากิจติดาบทภาคสําราญอยู่ก็ถามว่าข้าแต่ท่านมหาพรม น, นะนะพรามก็คือพรมเนี่ยกลุมเดียวกันนะนะพระคุณเจ้าปรารถนาอะไรจึงมาอยู่ผู้เดียวในฤดูร้อนอ น, นะะเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยเป็นฤดูร้อนแต่ว่าอยู่ในเกาะก็จริงแต่ว่าเป็นฤดูร้อน ท่านเท้าสักกินทระเทพนะนะท้าสักกะผู้เป็นพระอินเนี่ยนะอินทระนี่แปลว่าใหญ่เท е วดาผู้ยิ่งใหญ่คือเท้าสักกะเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าท่านเท้าสักกินทระเทพก็อันนี้เป็นคําร้องเรียกนะบอกว่าพระอินบอกตรงๆเลยนะว่าการเกิดใหม่นี่มันเป็นทุกข์อันนี้หมายความว่าบ อ, บอกเลยบอกความประสงค์บอกเจตนารมณ์ที่ชัดเจนว่าการเกิดใหม่นี่มันเป็นทุกข์ นะสำหรับคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตก็ไม่เห็นทุกข์อะไรเลยถามว่าการเกิดในนรกนี่มันทุกข์ไหมทุกข์แน่นอนใช่ไหมเกิดในเปรตทุกข์ไหมทุกเกิดเป็นเดรัจฉานทุกข์ไหมก็ทุกหรือการเกิดเป็นมนุษย์มาแล้วเนี่ยถึงกับประสบสุขหรือกรเกิดเป็นเทวดาแล้วเป็นสุขเนี่ยถามว่าธาตุร่างตัวตายกายแตกตาแต ก, แต ก, แตกทําลายแห่งสรีระไปเนี่ยมันเป็นทุกข์ไหมก็เป็นเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดได้ดิบได้ดีเป็นต้นการแตกทําลายแห่งสรีระก็เป็นทุกข์ ขณะเด Heck, ียวกันเนี่ยตายด้วยความหลงตายด้วยความหลงเนี่ยหมายว่าหลงตายเนี่ยภาษาไทยก็หลงตายเนี่ยไม่ใช่ลืมตายนะตายด้วยความลุ่มหลงตายแบบคนที่นึกถึงบุญไม่ได้คนที่ตายแบบนึกถึงบุญไม่ได้เนี่ยถามว่าจะเกิดที่ไหนดีก็เกิดในอบายสี่ปั้นการหลงตายนี่ก็เป็นทุกข์นะตายด้วยความลุ่มหลง อันนั้ไม่นึกถึงทานก็ไม่ได้นึกถึงศีลก็ไม่ได้นึกถึงภาวนาเนคธรรมะปัญญาวิริยะนึกถึงคุณงามความดีใดๆก็นึกไม่ออกอันนี้ก็เป็นทุกข์อันนี้คือเหตุผลที่มาอยู่แต่เพียงผู้เดียวหนึ่งนะเกิดใหม่เป็นทุกข์สองตายก็เป็นทุกข์ตายด้วยแบบคนไม่มีสติสัมปชัญญะแลนึกถึงคุณงามความดีไม่ได้ก็เป็นทุกข์ท้าวส ก, ก่าก็ถามว่าข้าได้ท่านกัสปะเมื่อพระคุณเจ้ากล่าวคําสุภาษิตอันสมควรนี้แล้วพระคุณเจ้าปรารถนาอะไร ข้าพเจ้าจะให้พรนั่นนะอันนี้สงที่ท่านเทศเนี่ยข้าพเจ้าให้พรผู้ดีนี่เหมือนกันท้าวศักดิ์กิติดาดบทก็บอกว่าท่านทา้าวสกะผู้เป็นจอมเทพทั้งหลายหากท่านจะให้พรแก่อาตมาขอท่านจงให้พรดังนี้อันไยกตัวอย่างว่าคนทั้งหลายได้บุตรภรยาทรัพย์สมบัติของอันเป็นที่รักเนี่ยปกติเนี่ยเขาได้สิ่งเหล่านี้ได้ด้วยอะไร ด้วยความโลภพอเข้าได้ความโลภแล้วก็ไม่อิ่มด้วยความโลภเสร็จแล้วก็เดือดร้อนขอความโลภอันนั้นไม่พึงมีอยู่ในอาตมาเลยอาตมาไม่ต้องการความโลภอันนี้ไม่ต้องการมีความโลภด้วยบุตรภรยาทรัพย์สมบัติและของอันเป็นที่รักอันนี้คือความปรารถนานะถ้าจะให้พรเนี่ยขอให้ท่านให้พร อ, อันนี้เถอะขอข้าพเจ้านี่อย่าได้มีใจที่อยากได้บุตรภรรยาทรัพย์สมบัติ และสิ่งอันเป็นที่รักเลยเนี่ยนะเออดีพรท่านดีท่านต้องการอะไรเพิ่มอีกไหมก็บอกว่าท่านเท้าส ก, กะผู้เป็นจอมเทพหากท่านจะให้พรแก่อาตมาขอท่านจงให้พร อ, อย่างนี้ว่านาไรทองโคมาธาตุและบุรุษย่อมเสื่อมไปด้วยโทสะใดหรือด้วยความเสียหายใดเนี่ยนะเช่นว่านาเสียหายเพราะอะไร ไฟไหม้น้ําท่วมถูกยึดเป็นต้นไร้เสียหายเพราะอะไรทองเสียหายไปเพราะอะไรโครมา่าธาตุหรือว่าคนงานเป็นต้นเสียหายไปด้วยเหตุใดด้วยโทษใดคนเนี่ยถ้าเสียหายเหล่าของเหล่านี้อะไรเกิดขึ้นเสียใจใช่ไหมโทสะโทษตัวนั้นเนี่ยโทษตัวนั้นหมายความว่าโทสะจิตคือเดือดร้อนใจขอความเดือดร้อนใจเหล่านั้นไม่พึงมีในอัตมาภาพ ถ้าสังเกตดูนะว่าพรข้อแรกที่ขอก็คือขออะไรขออย่าได้มีใจปรารถนาวัตถุทั้งหลายเลยข้อที่ข้อแรกนะข้อที่สองถ้าข้าวของที่มีอยู่มันเสียหายไปขออย่าเสียใจ น, นะเพราะเป็นการขอที่เรียกว่าคนทั่ ว, วไปทําใจไม่ได้เลยนะเรียกว่าเป็นการขอที่ตรงประเด็นตามลักษณะของผู้ที่ศึกษาธรรมะเพื่อที่จะออกจากวัตจักร น, นะก็ สักกะเทวดาก็าฟังเออพรนี้ดีท่านปรารถนาอะไรจะเพิ่มอีกไหมกิติก็บอกว่าท่านเท้าสั ก, กะหากท่านจะให้พรแกอัตมานะขอให้ท่านให้พรอย่างนี้ว่าบุคคลเนี่ยไม่พึงเห็นไม่พึงได้ยินคนพานเห็นก็ไม่ต้องเห็นแหลคนพานเนี่ยได้ยินก็ไม่ต้องได้ยินเสียงคนพาน ไม่พึงอยู่ร่วมกับคนพาลไม่พึงกระทําอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับคนพาลไม่พึงการไม่พึงชอบใจสนธนาปราศัยกับคนพาลโอ้ยไม่เห็นไม่ได้ยินไม่อยู่ร่วมแล้วก็ไม่มีการพูดคุยกับคนพาลโดยประการทั้งปวงเห่นั้นสรขอแ้มันห่างคนพาลเป็นรอ้อยยอดพันโยอดทีนี้พระอินทร์ก็งงเลยท่านกัสปะเพราะอะไรท่านจึงไม่ชอบคนพาลขอท่านบอกเหตุกขหมายคขาว่า คนพาลสร้างความเสียหายอะไรให้แก่ท่านเพราะทําไมท่านจึงไม่ปรารถนาที่จะเห็นคนพาลทําไมท่านไม่ปรารถนาที่จะได้ยินฟังได้ยินได้ฟังเรื่องของคนพาลเป็นต้นก็เพราะว่าคนพาลแนะนําสิ่งที่ไม่ควรแนะนําควนควายแต่กิจที่ไม่ใช่ธุระแนะนําเนี่ยคนพาลชวนอะไรเออวันนี้ไปฆ่าหาล่าสัตว์อะไรดี วันนี้ไปขโมยของอะไรไปผิดศีลที่ไหนไปมูซาอะไรไปดื่มเหล้าร้านไหนดีเป็นต้นนะเพราะคําแนะนําของคนพานก็แนะไปแต่เรื่องนั้นน่ะนะชวนกันไปผิดศีลห้านี่ยแหละวันวนหนึ่งถ้าเขาจะชวนนะคนพานเอวันนี้เราไปฆ่าอะไรดีวันนี้เราไปขโมยอะไรไปไปลักอะไรดีไปผิดศีลกาเมที่ไหนเนี่ยนะไปไปหาเพอเจออะไรที่ไหนดีหรือไปดื่มเหล้าเมายาที่ไหนไปร้องรําดำเพลงที่ไหนเวลาคนพานจะแนะนำนะเขาจะชวนแต่ทาเรื่องนี้ ทีนี้คนพาลเนี่ยนะแนะนำให้ดีได้ยากแล้วถ้าเขาเป็นอย่างนั้นอย่าคิดว่าจะสอนเขาได้นะ mm hmm. พูดดีหวังจะให้เขาประเสริฐก็กลับโกรธไปนแนะนำอย่างดีอธิบายเหตุผลให้ฟังก็โกรธพันคนพาลไม่รู้จักวินยัยไม่รู้จักสังวรวินยัยไม่รู้จักตฐหานวินยัยเนี่ยนะ คนผ่านรู้จักสังวร ส, ส, สัง ว, ων, ง ว, ăn, วรห้าไหมศีลสังวรอินทรีย์สังวรสติสังวรวิริยะสังวรญาณสังวรคนผ่านรู้ไหมไม่รู้คนผ่านรู้จกักประหานวินัยไหมประธานแตทางข้าประธานวิขมพนะาประธานสมุตเฉทประธานปฏิปัสสัที่ประธานนิสรณะประธานคนผ่านรู้ไหมไม่รู้สรุปนะคนผ่านเนี่ยถ้าเขาจะสอนเรานะสอนให้เราไปทําชั่วถ้าเราจะสอนให้เขาเป็นคนดีก็สอนยาก อธิบายดีๆก็โกรธคนพาลไม่รู้จักพระพุทธศาสนาอะไรสักอย่างสรุปว่าการไม่เห็นคนพาลได้เนี่ยมันดีที่สุดแล้วเนี่ยนะให้มันทางกันดีที่สุดทางเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเออท่านกสัะพระคุณเจ้าปรารถนาอะไรอีกไหมยอยากให้พรจริงๆเลยนะกิติดาดบทก็บอกว่าท่านเท้าสกกะจอมเทพถ้าหากว่าท่านจะให้พรแกอัตมาขอจงให้พรอย่างนี้ว่าบุคคล พึงเห็นแต่นักปราศคือบัณฑิตนะนักปราศตัวนี้คือบัณฑิตพึงเห็นบัณฑิตคําว่าบัณฑิตคือผู้ที่รู้ประโยชน์โลกนี้รู้จักประโยชน์โลกหน้าถ้าอย่างพระพุทธเจ้าก็คือรู้ประโยชน์อย่างยิ่งคนที่สามารถจัดแจงให้สําเร็จประโยชน์โลกนี้ได้ประโยชน์โลกหน้าได้ก็เรียกว่ารู้จักประโยชน์อย่างยิ่งได้นั่นแหละเรียกว่าเป็นบัณฑิตหรือเป็นนักปราศขอให้พึงเห็นบัณฑิตได้ฟังบัณฑิตอยู่ร่วมกับบัณฑิตพึงกระทํา แล้วก็ชอบใจในการสนทนาปราศัยกับบัณฑิตเนี่ยนะคือสรุปว่าบัณฑิตคือคนที่รู้จักประโยชน์โลกนี้เป็นอย่างดีรู้จักประโยชน์โลกหน้าเป็นอย่างดีแล้วก็รู้จักประโยชน์อย่างยิ่งเนี่ยนะท่านกส ป, ปะเพราะเหตุไรพระคุณเจ้าจึงชอบใจบัณฑิตช่วยบอกเหตุนั้นด้วยเพราะเหตุไรปรารถนาจะเห็นแต่บัณฑิตบัณฑิตนี้ดียังไงบัณฑิตช่วยอะไรท่านเหมือนกันอกิติก็ตอบว่าบัณฑิตนะแนะนําสิ่งที่ควรแนะนํา ไม่ควรขวายในกิจที่ไม่ใช่ธุระถ้าบัณฑิตจะแนะนำก็แนะนำในการรักษากุศลกรร ม, มบทใช่ไหมให้ห่างออกจากอากุศลกรร ม, มบทขณะเดียวกันบัณฑิตก็แนะนำง่ายคนอื่นเขาสอนเขาได้นะถ้าหากว่าพูดหวังจะให้ดีก็ไม่โกรธ ถ, ถ้ามีคนแนะนำด้วยดีเขาไม่โกรธบัณฑิตเนี่ยนะรู้จักสังบรวินยัยรู้จักปหาณวินยัยเพราะการสมาคมกับบัณฑิตเป็นความดี อันนี้เป็นเหตุผลที่ต้องการจะพบบัณฑิตใช่ไหมเพราะบัณฑิตยังไงเขาไม่ชวนเราไปในอกักุศลแน่นอนเขาชักชวนแต่ในเรื่องกุศลเขาก็รู้จักแนะนําเราหรือถ้าเรามีเหตุผลที่ดีแนะนําเขาเขาก็ไม่โกรธแล้วบัณฑิตเขารู้จักสังวรวินยัยรู้จักป harma วินยัยรู้จักข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุมร์คผลเป็นต้นนั้นถ้าได้พบได้เห็นเขานี่มันเป็นเรื่องดีจริงๆนะเรียกว่าเป็นมงคลอย่างนั้นเถอะ บงคลข้ออะไรครบบัณฑิตใช่ไหมเป็นบงคลเอ๊ะพระคุณเจ้าต้องการอะไรเพิ่มอีกไหมเทา้าสก a r นี่ประวรณาจริงๆริงจะให้อย่างเดียวเลยนะมิน่าเกิดเป็นเทา้าสก a r ได้ก็เพราะใจมีแต่จะให้จะใ ห, ะให้อย่างนี้แหละอากิติก็บอกว่าท่านเทา้าสก a r g ู้เป็นจอมเทพถ้าหากว่าท่านจะให้พรแก่อธรรมาก็จงให้พร อ, อย่างนี้ว่าเมื่อราตรีหมดไปดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ขึ้นในโลก ของบริโภคอันเป็นทิพย์พึงปรากฏแก่ข้าพเจ้า น, นะให้แก่อาตมานะขอให้มีของทิพย์แล้วข อ, ขอผู้ขอพึงเป็นผู้มีศีลก็คือมีอาหารที่เป็นทิพย์ดีก็มีผู้มีศีลมารับทานของเราไปเลยอันนี้คือต้องการมากขณะเดียวกันเมื่อให้เมื่ออาตมาให้ของที่บริโภคได้นั้นของก็ไม่รู้จักหมดจักสิ้นศรัทธาก็เพิ่มขึ้น ให้เสร็จแล้วอาตมาก็ไม่ต้องเดือดร้อนใจขณะที่กําลังให้ใจก็พองใสเออเนี่ยนใคร า, าใครที่มีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อการให้ทานเนี่ยนะก็แปลว่าขอให้ได้วัตถุที่เกิดโดยธรรมเมื่อมีวัตถุที่เกิดโดยธรรมก็ขอให้ผู้มีศีล ม, มารับของเหล่านั้นไปขณะนะขณะที่ให้ก็ให้แล้วของที่ให้ก็ไม่รู้จักหมดจักสิน้นเมื่อให้ก็ไม่ต้องเสียใจในภายหลัง ขณะที่ให้ใจก็พองใสยิ่งให้ยิ่งพองใสยิ่งให้ยิ่งมีความสุขวันก่อนโยมเขาเล่าให้ฟังว่าเข้าสบายใจเพราะเขาให้ทานเหมนกันใจนี่มันเศร้ามองมาหลายวันแล้วพอได้ให้ทานแล้วมีความสุขเลยเพราะฉะการให้เนี่ยเป็นเครื่องชำระใจได้เป็นอย่างดีเพฉะนั้นคนที่ยินดีในการให้นะถ้าลองไม่สบายใจเดี๋ยลองไปให้ให้อะไรก็ได้สักอย่างนึ่งนะก็จะทําให้เกิดความสบายใจขึ้นการให้เนี่ยเป็นเหตุให้เกิดความ สบายใจถ้าจะให้ดีเนี่ยตั้งแบบอกิจติเนี่ยนะขอขออะไรขอให้ได้มีของที่ชอบธรรมของเหล่านั้นเป็นของที่เกิดมาโดยธรรมผู้มีศีลก็ได้รับขณะเดียวกันนี่ให้ไปแล้วของก็ไม่รู้จักหมดจักสิน้นเพราะอะไรเพราะของแต่น้อยเนี่ยบางทีมันทําให้ใจไม่ไม่ไม่อะไรนะไม่อิ่มใจใช่ไหมได้ให้ไปนิดเดียวมันก็ใจก็ไม่อิ่มใจกันให้เสร็จแล้วก็ไม่ต้องเสียดายในภายหลังคําว่าไม่ต้องเดือดร้อนหมายว่าไม่ต้องเดือดร้อนทางร่างกายเลย จิตใจที่ได้ให้ไปแล้วให้แล้วใจก็ผ่องใสสรุปว่าก่อนให้ใจก็ผ่องใสกําลังให้กลก็ผ่องใสให้เสร็จแล้วก็ตามระลึกด้วยความผ่องแผ้วและผ่องใสเนี่ยนะพระคุณเจ้าปรารถนาอะไรอีกแต่ละอย่างที่ขอนี่ดีทั้งนั้นเลยนะให้ให้อีกให้อีกทีนี้ ข, อข้อเนี่ย น, น, นะเป็นขอไม้เด็ดจริงๆ กิตก็บอกว่าท่านเท้าส ก, กะผู้เป็นจอมเทพหากท่านจะให้พรแก่อาตมานะขอจงให้พรดังนี้ท่านไม่พึงกลับมาหาอาตมาอีกคือคือวันก่อนๆเ น, นี่ยมาแบบในรูปแบบของของพราหม์ใช่ไหมวันนี้มาเนะแต่งองค์เต็มเต็มยศเลยเนี่ยนะเรียกว่ามาแบบแต่งองค์ทรงเครื่องเต็มยศของเท้าส ก, กะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้พรท่านไม่ต้องมาหาอาตมาอีกแล้วนะท่านเท้าส ก, กะจงให้พรข้อนี้เถอะ เทพระบุตรเทพธิดามนุษย์ชายหญิงทั้งหลายเขาก็าปรารถนาแต่จะเทา้าส ก, ก่าเขาบอกว่าเทพบุตรเทพพัิดาหญิงชายทั้งหลายเขาปรารถนาจะเห็นข้าพเจ้าเนี่ยนะด้วยการประพฤติพรตเป็นอันมากหลายคนเขาทาบุญเขาก็อยากเห็นเท้ทาส ก, ก่าอะไรเป็นไยเพราะการเห็นข้าพเจ้าไม่ใช่อาตมานะข้าพเจ้าคือเท้าสก่าเนี่ยนะมันเสียหายตรงไหนเพราะทุกคนเขาทําอะไรเขาก็อยากพบข้าพเจ้ากันทั้งนั้นแหละท่าน อากิติก็ตอบว่าตบาก็แตกไปสิเพราะเห็นสรีระของท่านเห็นสีสันของท่านของพวกเทพเช่นท่าน่ะเพราะเห็นท่านมา ก, มากใจข้าพเจ้าก็อยากเป็นเหมือนท่านจะว่าไงเอาถ้าเกิด น, นึกโลภอยากเป็นเท้าสกกะบ้างใช่ไมยขาบอกว่ามีนางฟ้อนทั้งสองล้านหไใครไม่อยากได้ยังไง